เทวดาประจําตัวนะหน่อยจริงหรือที่พ่อมาหาผมลุงเคยเห็นไหมครับผมถามกลับไปว่าแลพ่อร้องให้ทําไมละครับพ่อบอกว่าพ่อต้องกราบเทวดาที่ดูแลน้นหน่อยเพื่อขออนุญาตท่านเข้ามาคุยกับลูกและเมื่อท่านอนุญาตเพราะความสงสารพ่อถึงได้มาคุยกับผมและแม่ได้ คุณลุงครับเป็นไปได้ยังไงอะ่ะน้นหน่อยมีเทวดาคุ้มครองด้วยหรอผมมองดูกี่ครั้งก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลน้นหน่อยเลยมีแต่น้นหน่อยคนเดียวแทๆ้ๆจะมีเทวดาที่ไหนมาดูแลผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมไม่เคยได้ยินอะไรอ ย, อย่างเนี้ยมาก่อนเลยแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ผมฟังบ้างเลยว่าคนกับเทวดามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็เห็นเป็นร่างคนแต่ละคนเท่านั้นถ้าเทวดามีจริงก็คงให้ผมได้เห็นบ้างสิจริงไหมครับ แต่เนี่ยเป็นพ่อจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนิยายเลยครับลงุงแม่เคยเขียนนิยายแต่ไม่น่าจะเหมือนที่ผมเจออยู่นี่เลยผมใจแข็งถามไปว่านี่พ่อจริงๆเหรอเสียงตอบกลับมาว่าพ่อจริงๆพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงให้หนูเชื่อพ่อกลัวพ่อกลัวมากเลยพ่อกลัวไปหมด เสียงที่พ่อพูดผ่านน้าหน่อยออกมาสั่นไปหมดเหมือนคนกลัวอะไรมากๆผมสงสัยจึงถามไปว่าพ่อกลัวอะไรพ่อตอบทันทีว่าพ่อกลัวพ่อตกนรกพ่อตกนรกนะลูกถ้าพ่อตกนรกไปแล้วพ่อจะมาแฝงน้าหน่อยได้ยังไงล่ะลุงจริงมะผมจึงบอกไปว่าตลกละพ่อพ่อตอบว่าพ่อลงนรกไปแล้วจริงๆแต่พระลงตาไปช่วยขึ้นมา ผมคิดไม่ถึงว่าพ่อจะเอ่ยถึงหลวงตาพ่อไม่เคยเชื่อไม่เคยนับถือท่านเลยแล้วมาเอ่ยถึงหลวงตาได้ยังไงแถมยังเรียกเสด็ตเตมยศเลยครับว่าพระหลวงตาผมต้องย้ำไปว่าพระหลวงตาบัวเนี่ยนะพ่อตอบกลับมาว่าใช่หลวงตาไปช่วยพ่อขึ้นมานะลูกโอ้ยผมพูดไม่ออกได้แต่ฟังแล้วนิ่งไปเลยครับอะไรกันเนี่ยพระหลวงตาช่วยพ่อขึ้นมาจากนรก และนรกมันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมีแต่คนเล่าให้ผมฟังว่านารกสวรรค์มีจริงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เคยแต่ได้ยินเป็นเรื่องเล่าให้ฟังกันไปแต่เนี่ยคนพูดคือพ่อผมน้าหน่อยก็ยังหลับอยู่อย่างเดิมพ่อพูดไปก็ร้องไห้ไปปากน้นหน่อยก็พูดต่อไม่หยุดว่าพ่อจะเล่าให้ฟังแต่นุ่นต้องสัญญากับพ่อก่อนว่านุ่นจะต้องมานอนในที่ของพ่อ ลูกมันนอนอยู่ข้างๆพ่อนี่นะนอนในที่ของพ่อนะนั่นนุ่นนะพ่อพูดเป็นท่วงทำนองเดียวกับที่พ่อเคยพูดกับนุ่นตอนที่มีชีวิตอยู่น้นหน่อยจะพูดแบบหนึ่งพ่อจะพูดอีกแบบหนึ่งผมชักจะเชื่อว่าเป็นพ่อจริงๆมาอยู่กับน้นหน่อยเพื่อมาคุยกับผมยังไม่ทันจะพูดต่อพ่อชิงพูดกับผมก่อนว่างั้นพ่อไปก่อนละเขามาเรียกแล้ว ผมยิ่งงงขึ้นไปใหญ่พ่อมาแป๊บๆเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องเลยลุงครับผมชักมีความเชื่อขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่าเป็นพ่อจริงๆแล้วอยู่ๆก็บอกว่าจะไปแล้วเขามาเรียกผมก็ไม่รู้ว่าใครมาเรียกจึงถามออกไปว่าแล้วพ่อจะไปไหนไปแล้วพ่อจะกลับมาอีกไหมแล้วใครละที่มาเรียกพ่อพ่อตอบทันทีว่ามาสิแล้วพ่อจะมาหาทุกวันเลยนะ พ่อต้องมาทุกวันแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหโมงเช้านะพ่อพูดจบแล้วก็เงียบไปเลยยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าใครมาเรียกน้าหน่อยก็ยังหลับเหมือนเดิมปากที่ขยับพูดก็ปิดเงียบผมต้องเรียกน้าหน่อยให้ตื่นขึ้นมาปลุกน้าหน่อยอยู่สักพักน้าหน่อยงัวงเงียลืมตาตื่นมาทำหน้างงง ง, งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ถามอะไรต่อผมกับแม่และป้าเล็กต่างมองหน้ากันและไม่พูดอะไรกันอีก ต่างเก็บความสงสัยไว้ทั้งวันคุณลุงเคยเจออย่างนี้ไหมครับนึกถึงวันนั้นแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าทำไมน้าหน่อยถึงยังไม่รู้เรื่องและเทวดาน้าหน่อยมีอยู่จริงเหรอลุงเคยเล่าให้ฟังว่าเทวดามีจริงคอยปกป้องรักษาคนทุกๆคนแล้วแต่บา ร, รมีของแต่ละคนใครทำบุญมากก็มีมากใครทำบุญน้อยก็มีน้อยบางคนมีเทวดาที่มีนิสัยไม่ดีบางคนก็มีเทวดานิสัยดีเรียบร้อย ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนเชื่อแล้วว่าพ่อมาจริง วันรุ่งขึ้นผมก็ยังคงไม่อยากเชื่อสับสนเพราะคานกับความเชื่อที่ผมมีมาแต่เดิมที่ไม่เชื่อในเรื่องบาบุญคุณโทษแต่ผมก็ยังใส่บาตในตอนเช้าให้กับพ่อเช่นเดิมตลอดทั้งวันผมยังตื่นเต้นไม่หายอยากให้ถึงเวลากลางคืนโดยเร็วคืนนั้นผมนอนกับนั้นหน่อยในที่ที่พ่อเคยนอนตามที่พ่อสั่งก่อนที่จะหลับยังสงสัยอยู่ว่าพ่อจะมาตามเวลาที่คุยกันไว้ไหมแล้วก็ปล่อยหลับไป ผมรู้ตัวอีกครั้งเมื่อนั้นหน่อยเอื้อมมือมากอดผมพร้อมกับบอกว่าพ่อรักนุ่นนะลูกพ่อรักนุ่นที่สุดผมง่วงเหยียตื่นขึ้นมาสลุมสลืออยู่ผมผลักมือนั้นหน่อยออกและบอกน้นหน่อยว่าอย่ามายุ่งเสียงจัดปากนั้นหน่อยตอบมาว่านุ่นพ่อเองลูกพ่อมาแล้วผมเหลือไปดูนาฬิกาเห็นนาฬิกาที่หัวนอนเป็นเวลาตีห้าตามที่พ่อบอกไว้ ผมจะดุ้งตื่นเต็มที่พร้อมกับลุกขึ้นนั่งทันทีน้นหน่อยก็ลุกขึ้นมานั่งขณะหลับตาอยู่ประจันหน้ากับผมคุณลุงครับเราสองคนนั่งเผชิญหน้ากันผมเป็นฝ่ายมองหน้าอยู่คนเดียวเพราะน้นหน่อยยังนั่งหลับตาเฉยเหมือนอยู่คนเดียวผมร้องถามไปว่าพ่อนี่พ่อจริงๆใช่ไมพ่อมายังไงแล้วทาไมพ่อถึงมาแฝงน้นหน่อยได้ผมถามซ้ําอีกเพราะความไม่แน่ใจ นั่นหน่อยก็พูดออกมาเป็นท่าทางของพ่อพ่อก็เดินไปเดินมาในบ้านนี่แหละเพราะนุ่นไปขอเจ้าที่ไว้แล้วไหวพ่อเข้าบ้านได้พ่อก็เข้าได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะตอนกลางวันผมได้ตั้งจิตอธิษฐานถ้าพ่อมาได้จริงๆขอให้เจ้าที่เจ้าทางอนุญาตให้พ่อเข้ามาในบ้านได้ผมอยากคุยกับพ่อแล้วนั่นหน่อยรู้ได้ยังไงว่าผมไปขอเจ้าที่ไว้ผมจึงเชื่อว่าเป็นพ่อผมจริงๆ ผมถามต่อไปอีกว่าและพ่อมาแฝงนั้นหน่อยได้ยังไงครับพ่อตอบทันทีว่าพ่อขออนุญาตอย่างที่พ่อเล่าในวันแรกและนุ่นก็ถามพ่อต่อไปอีกว่าแล้วที่พ่อบอกว่าพ่อตกนรกนั้นหมายความว่ายังไงพ่อว่าใช่พ่อตกนรกไปแล้วแต่หลวงตาไปช่วยขึ้นมา หลวงตาจุดพ่อขึ้นจากนรกลงุงหลวงครับอย่างที่ผมบอกลงุงหลวงว่าพ่อไม่ศรัทธาหลวงตาแล้วพ่อมาบอกผมว่าพระหลวงตาไปช่วยขึ้นมาทำให้ผมสงสัยขึ้นอีกว่าพระหลวงตาไปช่วยพ่อมาได้ยังไงเพราะพ่อไม่เคยนับถือน้นหน่อยทําท่าถอนหายใจ ทั้งที่ยังนั่งหลับตาอยู่พร้อมกับตอบว่าพ่อเป็นคนชอบกินเหล้านุ่นก็รู้อยู่พ่อกําลังเข้าแถวให้เขาเอาน้ำทองแดงกรอกปากแต่ว่าช่วงที่พ่อเข้าแถวอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนคนหนึ่งห่มผ้าเหลืองก็คือองค์พระหลวงตานั่นแหละมาเรียกพ่อว่าในอำนวยออกมาตอนนั้นพ่อก็งงและสงสัยเหมือนกันว่าใครมาเรียกแต่ก็ไม่กล้าออกจากแถวพ่อกลัวเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ถือหอกมาทิ่มแทงเรา มีจริงๆนะเขายืนกันเต็มเลยถ้าใครออกนอกแถวจะต้องโดนหอกทิมแทงจนกระทั่งถึงคิวพ่อพ่อกำลังจะถูกกรอกน้ำทองแดงอยู่แล้วทันใดนั้นมีใครไม่รู้เอามือดึงคอพ่อเวียงออกมาจากแถวแต่ก่อนที่จะเหวียงพ่อออกมาท่านสำทับอีกครั้งหนึ่งว่านายอำนวยออกมาถ้าเราสั่งให้ออกไม่มีใครกล้าทาอะไรแต่พ่อก็ยังไม่กล้าออกจนกระทั่งหลวงตาเวียงพ่อออกมา พอก็มองหน้าท่านแล้วถามว่าท่านดึงผมออกมาได้ยังไงล่ะแล้วท่านไม่กลัวพวกนี้เหรอหลวงตาบอกว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกพอก็งงขณะนั้นหลวงตาท่านมองหน้าพ่อแล้วถามว่าจาเราไม่ได้เหรอพ่อตอบไปว่าจาไม่ได้ท่านก็ย้ำว่ามองเราดีๆซิจำเราได้ไหมเรานะ่ะอิตาบัวไงจำเราได้ไหม อิต บ, บัวนะ่คุณลุงครับเป็นไปได้ไหมครับที่หลวงตาจะลงมาช่วยพ่อผมแทบไม่เชื่อเรื่องที่พ่อเล่าให้ผมฟังเลยครับผมรู้ว่าพ่อผมชอบดื่มเหล้าและเคยเรียกหลวงตาว่าอิต บ, บัวทําไมหลวงตาจะไม่โกรธพ่อมาช่วยพ่อแล้วพ่อเล่าให้ผมฟังเป็นตุปเป็นตาได้อย่างไรพ่อยังถามหลวงตาอีกนะครับว่าอิต บ, บัวที่ออชอบไปทาบุญด้วยบ่อยๆนั่นหรอครับ ผมใจหายหมดเลยที่รู้ว่าพ่อย้อนกลับไปถามหลวงตาหลวงตายังใจดีต่อพ่อด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มว่าเออพ่อเล่าให้ฟังต่อไปว่าพ่อเขาอ่อนงงยิ่งกว่าเดิมว่าเมื่อก่อนเคยว่าท่านท่านไม่โกรธและยังลงมาช่วยพ่อในนรกอีกพ่อค่อยๆถามหลวงตาต่ออีกว่าอ้าวแล้วหลวงตาลงมาได้ยังไงล่ะครับหลวงตาบอกพ่อว่าเราลงมาช่วยเจ้า แต่ไม่ได้ลงมาช่วยคนเดียวช่วยหมดเลยตั้งหลายร้อยดวงวิญญาณผมย้อนถามพ่อกลับไปว่าหลวงตา ม, มาช่วยใครครับตั้งร้อยกว่าวิญญาณผมอยากรู้นี่ครับพ่อเล่าว่าท่านมาช่วยลูกหลานของลูกศิษย์ของท่านที่ตายไปวันนั้นเป็นวันตัดสินว่าใครจะได้ขึ้นไปหรือใครจะลงนรกและพ่อถามนุ่นต่ออีกว่าที่หนูไปทาบุญที่วัดนะ่ะเป็นงานบุญอะไรผมบอกพ่อไปว่า เป็นงานบุญประทายข้าเปลือกพ่อพยักหน้ากับผมเออเออนั่นแหละพ่อได้บุญใหญ่เนี่ยดึงมาช่วยไม่ให้ลงนรกตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงใครให้ผมไปไหนผมก็ไปด้วยไม่ขัดผมไม่ได้ใส่ใจว่าบุญจากการทำบุญวันประทายข้าเปลือกเป็นอย่างไรได้บุญขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่าคุณลุงคงเคยได้ยินหลวงตาพูดกับพวกลูกศิษย์ทั้งหลายบ่อยๆว่า หากลูกศิษย์เราไปตกนรกคุมไหนๆเราก็จะไปฉุดขึ้นมาหากเป็นคนดีผมก็ได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าจะประสบกับพ่อของผม พอรองกับเจ้ากรรมนายเวรพ่อเล่าต่อไปขณะน้นหน่อยกําลังนั่งหลับตาอยู่อย่างเดิมว่าบุญงานประทายเขาเปลือกเป็นบุญใหญ่ใหญ่มากมีคนมาเปิดสมุดบันทึกเล่มใหญ่ๆที่บันทึกบุญบาปของมนุษย์เพื่อดูว่าพ่อทําบุญมามากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าบุญของพ่อไม่พอเพราะพ่อไม่เคยทําบุญเลย หลวงตาต่อรองกับเขาให้เปิดบัญชีของเมียเขาแทนเป็นลูกศิษย์เราก็คือบัญชีแม่ให้เอาบุญที่เมียเขาทำนั้นไถ่ตัวคนเปิดบัญชีตอบหลวงตาว่าพอได้อยู่บุญมากอยู่แต่เจ้ากรรมนายเวรจะยอมปล่อยหรือเปล่าไม่รู้นะปรากฏว่าเจ้ากรรมนายเวรของพ่อไม่ยอมอ้างว่าบุญไม่พอเขายังไม่พอใจหลวงตาต้องสำทับว่าต้องพอสิมีบุญใหญ่ เปิดดูอีกเขาก็เปิดดูอีกบุญประทายข้าวนี้มากพอหลวงตาจึงให้อาบุญเนี่ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วถามย้อนกลับไปว่าพอใจไหมยอมปล่อยได้ไหมตอนนั้นพ่อกลัวมากตอนแรกเขาไม่ยอมท่าเดียวอย่างไรเขาก็ไม่ยอมจนกระทั่งเขาพอใจเขาจึงปล่อยผมสงสัยว่าอาบุญแม่ไปแล้วแม่ก็หมดบุญ ผมใจหายหมดถามพ่อว่าแล้วบุญแม่ก็หมดไปสิพ่อพ่อบอกว่าไม่ไม่หมดเลยบุญเนี่ยเป็นของวิเศษที่ให้ใครก็ไม่มีวันหมดแล้วตอนที่แม่อยู่วัดพ่อก็ส่งเงินให้เป็นเงินของพ่อเองพ่อก็มีส่วนได้บุญกับแม่ด้วยแม่มีอยู่ร้อยหนึ่งแม่ให้คนหมื่นหมื่นคนแม่ก็ยังเหลือร้อยหนึ่งเท่าเดิมไม่มีวันหมดนะลูกพ่อสานึกแล้วลูกลูกเดี๋ยวว่าหลงตาอีกเลยนะ หลวงตาช่วยพ่อทุกอย่างเพราะแรงบุญของแม่และลูกเชื่อหลวงตาเถอะลุงครับผมไม่คิดว่าจะเห็นพ่อยอมหลวงตาอย่างเนี้ยผมอึ้งไปหมดเลยผมถามพ่อว่าพ่อมาไมา้ไหนเนี่ยนี่พ่อหรือน้าหน่อยกันแน่จะให้นุ่นเชื่อหลวงตาไม่มีทางผมเสียงแข็งกับพ่อทันทีเมื่อก่อนพ่อมีแต่ว่าหลวงตา แต่ตอนเนี้ยกลับบอกให้เราเชื่อหลงตานิสัยของผมยังเหมือนเดิมเหมือนพ่อที่เมื่อก่อนอยร้นและอวดดีผมจึงถามพ่อกลับไปว่าเอาอย่างนี้นะถ้าเป็นพ่อจริงๆพ่อต้องไม่เชื่อหลงตาแน่ตอนเนี้ยผมคิดอะไรอยู่น้นหน่อยไม่ขยับปากพูดอีกเลยเงียบไปสักพักผมกลั้นหายใจแทบแย่น้าหน่อยจึงเอ่ยปากตอผมว่า หนูคิดว่านี่ไม่ใช่พ่อนี่คือน้าหน่อยร่วมมือกับแม่มาหลอกผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับคุณลุงแต่ผมก็ยังไม่ปากใจจึงคิดต่อไปในใจว่านุ่นรักพ่อพ่อตอบผมทันทีว่าพ่อได้ยินแล้วพ่อรู้ว่านุ่นรักพ่อพ่อก็รักนุ่นที่พ่อบอกลูกให้เชื่อหลวงตาเพราะพ่อไม่อยากให้ลูกต้องลงนรกอย่างพ่ออย่าว่าท่านอีกเลยแล้วไปกราบขอขมาท่านเสีย หากเขามีการขอเข้ามาในงานบุญขอให้นุ่นไปขอเข้ามาหลวงตาที่ทำผิดต่อท่านทั้งกายวาจาใจนะลูก